เพื่อจำพรรทาสวดท่านราบัดเรียกสติวินัยอันนี้ระงับแบบหนึ่งจำเลยเป็นผู้มีสติภัยบูรไม่เป็นฐ้านะของจำเลยที่จะทำการระเมิดดังที่โจทย์กล่าวหาสวดกรรมวาจาจารไว่าให้สติวินัยแล้วยกฟ้องของโจทก์เสียเรียกอาชิกรอันนี้เกิดขึ้นกับพระนารหันต์นี้แล้วให้สติวินัยยกฟ้องของโจทก์เสียจำเลยเป็นพระนารหันต์ยกตัวอย่างพระธาตุประมันระบุ เป็นพระรหัสจากอายุเจ็ดปีทีนี้พระทัพพมันรบุตนั่นไปแกกอาหารพอไปแกตถึงพระภูมิมัช ก, กะก็ถูกแต่เข้าปลายเรียนแกก็โกรธทีนี่ก็แกก็เลยไปคบกับนางเมตยาภิสุณีให้โจ์สินิบัตรไม่มีมูลที่ภูเขาคิดจะกูดนางเมตยาภพิสุณีก็ไปหาว่ า, าพระทัพพมันรบุ ไปเสพแมุ่นตนเองที่เตียนเขาคิดจะกูดแต่เวลานั้นยังไม่ได้ตั้งวิตรีนะครับอาตกรเป็นต้นบัญยัติอาตกรนั้นพระถ้าประมาณาบุตรก็บอกว่าในเวลาไห น, นเวลาเช้าในเวลาเช้านั้นข้าพรเจ้าแกกอาหารอยู่เวรวันสวนไม้ไผ่ของพระเจ้าพิมพิสารข้าพรเจ้าจะเอาส่งเป็นพยานแต่พระบรมศาสลางเงียบอยู่ไม่ไม่พูด คอยให้สงเอากันดูเช่ก่อนเพราะเขาจะระงับวิธีไหนพระพุทธเจ้าพระพุทธบามสาสราู้เตมพุงแล้วแต่ยังไม่พูดนิ่งอยู่เช่ก่อนทีนี้ถามฐานะและทิศที่ทำถามถึงเหตุที่บอกและชื่อผู้บอกประกอบกับฐานประการะสถานที่ ถามปีถามปีเดือนวันเวลาถามถึงฐานะและทิศที่ทำถามถึงชื่อผู้บอกและเหตุที่บอกให้ประกอบกับการและสถานที่มันมีหมดในพระใ น, ในของพระโจดเมมูลรักแข่งมูลนั่นสามอย่าด้วยได้เห็นเองด้วยได้ยินเองด้วยมีผู้บอกได้เชื่อว่าจำจริงจริงด้วยสงสัยระงเกียจข้อประพฤติไม่ดีอันนี้จะวระโจดเมมูลรักแข่งมูลมีอย่างนั้น เมื่อโจดไปโจดไปโจด ไ, ไปทีนี้ท่านก็ไปอย่ยนสี้ห้ า, หาดาษอรอวาก็ไม่ว่าแต่ท่านนั้นแต่อายุเจ็ดปีข้าพเจ้าไม่ได้ฝันไปทางกรรมมารมเลยถ่านพูดทางนั้นทีนี้เ <c oughs> พราะท่านเป็นพระอรหันต์แล้ว <c oughs> เออจริงจริงจริงจริพระบรมสารีรัตน์ออกมาทีนี้ <c oughs> จริงแล้วเพราะท่านสาเร็จพระอรหันต์แต่วันเป็นปฐมมาเลิ ก, กนะ <c oughs> ทีนี้นี่ระงับแบบหนึ่ง และง่าแบบหนึ่งความที่สองศัตรากาศให้สมมุติแก่พิกษุผู้หายเป็นบ้าแล้วเพื่อจะไม่ใครโจดท่านไออาบัตที่เธอทําในเวลาเป็นบ้าเรียกอามมูลราภิเณริพิสูซเป็นบ้าครั้งไะคุดดินฟันไม้หรือฉันอาหารในเวลาตะวันบ่ายเป็นบ้าครั้งเราห้ามให้โจดอาบัตในเวลาเธอหายเป็นบ้าแล้วไม่ให้โจดอาบัตถ้าเธอหายเป็นบ้าแล้วเธอไปทําผิดอันอื่นจึงโจดในเวลาเป็นบ้าห้ามไม่ให้โจด แต่ต้องเป็นบ้าจริงจะทําท่าไม่เอาต้องเป็นบ้าจริง น, นี่นี่ระงับแบบหนึง่งความปรับอาบัตตามปิญญาของจําเลยผู้รับเป็นศพเรียกปฏิญญาจารณะนี่ระงับแบบหนึง่งความตัดสินอาธรรมคําของคนมากเป็นประมาณเรียกเกพฤยาคีกาอันนี้เอาแบบนี้ระงับแบบหนึง่งทีนี่คนมากในข้างพุทธกาลมีแบบนะมีมีขอบเขตไม่เหมือนเราทุกวันนี้ คนมากนั้นจะเย็นจบพระใจปิด ก, ก็ตามคนาพิษของเธอไม่ดีไม่ให้มาออกเสียงแต่พวกเรามึงไม่ออกให้กูกูออกตังให้มึงใช่ไหม <c oughs> <c oughs> นั่นนั่นนันผิดกันที่นี่ความลงโทษแกผู้ผิดเรียกตัตตปาปิยเกกาอันนี้ระงับแบบหนึ่งตัตตาปาปิยะเกกากรรมกรรมเพิ่มโทษแกพิะสุผู้อภิษรามก ให้การกลับไปกลับมาพูดถลากถลายข้อก็เกลือนที่ถูกซักถามพูดมุสาซึ่งหน้าอันนี้เพิ่มโทษถ้าเป็นอาบัติปานยุติก็เพิ่มหลายตัวนี่เรา ต, ตั ป, ปตปาปิยะเสกากำกำเพิ่มเพิ่มโทษของพระภิกษุผู้ผู้ประพฤติรามกให้การกลับไปกลับมาพูดถลากถลายข้อก็เกลือนที่ถูกซักถามพูดมุสาซึ่งหน้าปฏิญญาเนี่ยปฏิเสธปฏิเสธแลป้แลปฏิญญาเนี่ก็เพิ่มโทษซ ะ, อ, ะอย่างนั้นนี่ระงับแบบหนึ่ง ก็เอให้ปนีปนอมกันทั้งสองฝ่ายไม่ต้องชำระความเดิมเรียกตินนะวัารักวีนายอันนี้ลนะครับแบบหนึ่งอันนี้เป็นศิทธิข้าบที่น้อยไม่ได้อ้างถึงปาราชดิษฐ์เช่นเป็นศิทธข้าบททุกกฎมีในขั้งพุทธกาลเนี่ยพิสูุในเมืองโกสัมพีแตกกันพิสูจ ธ, ธรรมก็ถึกกับพระวีนานิทอนแตกกันเป็นสองฝ่ายพระบรมศาสดา ย, ยังมีชีวิตอยู่นะแต่เป็นอวัตทุกกฎพวกโจเป็นอวัตทุกกฎเพราะไม่ได้ขออนุญาต พวกจำเลยเป็นอาบัติทุกกฎเพราะเหลือหน้าไว้ในกระบอกเป็นอาวัตทุกกฎกระบอกในช่วงในห้องครับที่นี้เพราะเป็นอาวัติคนหน้าทางเป็นอาวัตทุกกฎเป็นอาวัตเบาที่สุดถ้าเป็นอาวัตสังขารเขตหรือปารายคิดจะไกลเกี่ยไม่ได้เิศก็ต้องเอาผิดทำไมจึงไกลเกี่ยวิธีไกลเกี่ยคือวิธียังไง ทางจำเลยก็เท่ากันทางโจทย์ก็เท่ากันอาบัตเรียกน้อยถ้าจะตัดสินในทางในทางหนึ่งชนะอธิกรก็จะเทวีขึ้นเพราะมันมีทางเท่ากันถ้าหากว่าเป็นอาบัตภราชิกหรือสังฆาธิเสธนั่นพิดก็ต้องาะผิดอันนั้นจะมากจะน้อยก็ไม่ประสาอันนั้นนีหมายความว่าทางโจทย์ก็มีเท่ากันทางจำเลยก็มีเท่ากันแล้วก็ถ้าจะตัดสินในทางใดทางหนึ่งชนะอธิกรจะเทวีขึ้นเพราะเป็นอาบัตเรียกน้อย แล้วให้ไกลเกี่ยกันสักอะอย่างนั้นที่นี่พระบระมาศาสด า, าเขาบอกว่านี่เป็นอาบัตเพียงเล็กน้อยผู้ที่เขาล่วงละเมิดเขาเป็นคนชอบล่วงละเมิดหรือไม่ผู้ที่โจรเขาเป็นชอบเป็นผู้มักท้อยมักความหรือไม่ทำไมจึงไม่พิจารากันท่านผู้อย่างนี้พระบระมาศาสดา ผู้ทีเขาโจทย์เขาชอบโจทยรดอกหรือพูดจะ่เขาทําผิดเขาเคยล่วงแล้วเมื่อดอกหรือทำไมไม่พากันพิจรารณาเพราะนั้นก็ไม่ฟังนี่หมูของใครเขามันอาจารย์ของใครเขามันก็เข้าหากันทางละห้าร้อยนะพระบรมศารีราเออถ้าอย่างนั้นเราก็จะไม่อยู่กับพวกท่านแล้วจะไปวิเวงที่ป่าอะไรเช่ก่อนพระบรมศารีราขึ้นไปป่าข <c oughs> ึ้นไปป่าอะไรพระอนุ์ก็มาให้ไปให้เป็นทูดดู เมื่อพระบรมศาสดาหนีไปป่าในรอะไรแล้วพระบรมศาสดาก็ไปสั่งญาติโยมต่อถึงนางวิสาขาอย่าไปคอยเราเนอแล้วจะไปวิเวกคนเดียวเราจะไปป่าและคิดตะวันแล้ะไปคอยเรามาบินทบารเรามีธุระจะไปเที่ยววิเวกองค์ท่านก็ไปเที่ยวก็ไปองค์เดียวพระอานนท์เาให้ไปด้วยพระอานนท์ให้คอยมองดูอยู่พวกนี้เขาจะพป็นยังไงกันทีนี่ เขาก็บอกพระพวกหัวดือ้ออย่าไปใส่บาตรให้มันกินเพราะบอกหาวงพ่อตาตาบอกมันก็ไม่ฟังเขาไม่ใส่บาตรให้กินเขาไม่ใสบาตให้กินแล้วก็เลยไม่ยอมกันตั้งหน้าภาวนาสำเร็จพระรหาสหลังทาแล้วก็ไปแจกไปเยี่ยมพระพุทธเจ้านี่เรียกว่าไก่เกียร์นี่ยเรียกว่าตินนวันถาระกะาไม่ในพร้อมให้ปณิพนองกันทั้งสองฝ่ายไม่ต้องชําระความเดิมเรียกตินนวันถาระกะาเรื่อยอุไน สีขาวหนอกนี้ที่ยกเคื่องเป็นบัตรทุนกระจบ้างทุกกดบ้างทุกภาิตบ้างเป็นสีขาบทที่ึานในมาในพระปลาเทมุกน่ะใครสอนดีงั้นพระพุทธเจ้าไม่มีเลยอืมวิธีนะครับอธิกรก็สอนแล้วสอนหมดแล้วผูดนะครับอธิกรรู้จักเหตุเกิดอธิกรรู้จักวิธีนะครับอธิกร รู้จักอานักอาบัดหนักอาบัดเบารู้จักพระบัญญัติรู้จักข้อตกล่นภายหลังรู้จักคลองอันเข้าอนุนสันธิกันได้รู้ทำรู้วินัยทั้งเบื้องต้นเบื้องกลางเบื้องท้ายผู้จักระ ง, งับอธิกรณ์ไม่เห็นแก่บุคคลไม่เห็นแก่อามิตรเห็นแก่ธรรมที่จะสงบข้างหน้าอย่าดวนพิจารณาว่าจําเลยผิดอย่าดวนพิจารณาว่าจําเลยถูกจงพิจนาเนื้อความให้ดีเชียก่อนพรบรมศราสนา ยาดวนเชื่อว่าจำเลยผิดยาดวนเชื่อว่าโจดผิดให้พิจารณาให้เป็นธรรมอคติทั้ทงสี่ำ เ, เอียงพราความรักใคร่กันเรียกสันทาคติลำ เ, เอียงพราความไม่ชอบกันเรียกโทสาคติลำ เ, เอียงพราเขาเรียกโมหคติลำ เ, เอียงเพราะกลัวเรียกพยาคติไม่มีในทางพุทธศาสนาะแต่ชาวโลกเข า, า, เ, าเอามาใช้กันลำเอียงพราความรักใคร่กันเรียกชั้นทาคติคือยังไง ร, รักมันมันจะทำผิดสักเพียงไหนก็นตามอุ้มมันไว้เรียกว่าชันทาคติ ลำเอียงพราความไม่ชอบกันเนียโทสากติคือยังไงมันจะพูดถูกมันจะทําถูกทั้งเพียไหนก็าตามลังเกียจมันก็ให้มันผิดลำเอียงพราะโมหะกติคืออะไรคือครบคดีไม่แตกเรียกว่าโมหะกติลำเอียงเพราะลำเอียงเพราะเขาเรียกโมหะกติอเพราะครบคดีไม่แตกไม่รู้จักวิธีจะระงับเนี่มาเพราะเขาลำเอียงพรากลัวเรียกพยาคติคืออะไรมันมีอิทธิพล ม, มากเดี๋ยวมันเอาปืนมายิงหัวแ่ะวนะเรียกลำเอียงพรากลัวเรียกพยาคติ่ะ มันมีอิทธิพลมากก็กลัวมันอคติสี่ประการนี้ไม่มีในทางพุทธศาสนาเลยแต่ชาวโลกก็ไม่ใช่กันอยู่อีพ่ออีแม่เอ๋ยนั่นถูกไหมนั่นทำอะไรไม่มองดูคําสอนพุทธศาสนามันก็ไปไม่รอดผลของกรรมมันมีอยู่นี่นเราไปยิงนกเขาเนี่ยอายุสิบห้าปีมันสนองมาแล้วอายุสิบห้าปีมันก็ระเบิดออกจากนี้โรคหัวใจะรักษาจำไม่หายห้าปีแล้วเนี่ยยิงนกเขาอลไรเนี่ย นั่นเป็ผลของกรรมตามมาแล้วเนี่ยอถ้าผลของกรรมไม่มีเราก็ไม่เชื่อมันกันนี่นี่นี่เราไปจับโครตรช่วยเขาเนี่ยอายุยี่สิบปีเนี่ยจับโครตรช่วยเขาตัวเดียวเท่านั้นละ่ะบอกว่าไอ้ขี้โรไอ้ขี้โรมันร้องออุ๊บอมันปวดลูกอัณฑะมันแล้วก็บอกว่าไอ้ขี้โรไอ้ขี้โรหัวเราะเล่นเขาจะแปลงรูปแปลงโฉมให้มึงจะให้มึงได้ขายราคาสู ง, สง เดี๋ยวมึงผอมก็ขายไม่ออกไอ้เคโลมันก็เล่าอ้โหทีนี่พอสองพันห้าร้อยยี่สิบสองมันก็ระเบิดออกนี่นี่มันระเบิดออกนี่ลูกอัญ t h มันระเบิดออกนี่ใส่ช็ากัดข้ององูไวน้นี่แล้วไม่ผ่าไม่ตัดสมาทานไม่ผ่าไม่ตัดนี่ยผลของกรรมตามมาเห็นอยู่อย่างนี้แหละผลองกรรมในทางทั่วอันนี้ก็ไปดักปลา ปลาไรลมากินปลาไรลมากินหลายตัวเนี่ยปลาไรลมากินหลายตัวที่นี่สองพันห้าร้อยสามสิบถุงดำดีเป็นนิ้วระเบิดออกนี่ครัะชันญาอยู่ได้หกปีนี่สมาทานไม่ผ่าไม่ตัดอันนี้ก็สมาทาแม่ผ่าไม่ตัดเหมือนกันสมาทานไม่ผ่าไม่ตัดและไม่ไปนอนข้างคืนในโรงพยาบาลด้วยเขาจะเอาไปนอนข้างคืนในโรงพยาบาลเขาเอาไปโรงพยาบาลที่มิติเวส์คราวหนึ่งแล้ว เออลูกปู่ไม่ผ่าไม่ตัดได้ม่นอนข้างคืนในโรงพยาบาลเอาลูกปู่ไปเช็โเคโรคเฉยๆหอกไม่ผ่าไม่ตัดก็ไม่ต้องผ่าเขาตัดเขาหลอกไว้พอไปถึงแล้ว <c oughs> พอไปถึงเขาก็จะผ่าจะตัดทีนี่เออจะไปด้วยวิธีไหนก็เพราะลูกปู่ไม่นอนข้างคืนในโรงพยาบาลจะไปด้วยวิธีไหนมันก็ไม่ลำบากลูกปู่ไปขึ้นเครื่องบินอุบลตี่ก็ปรือไปเลยแล้วก็ปรือขึ้นรถยนต์มาขึ้นรถไฟล่วนมา ประตวโลกเสยเสยต้องปู๋มนี่มลเราก็ไปไแบบฝืดฝดเลยประตูทางใจใ น, นรกแล้วประตูไปเป็นเปรตะเวนสัยนัสัตนรกนัสัตทิฏฐานแล้วปากลามเมตตกความตรึกในทางกลางของท่านผู้ใดไม่มีพยาบาทเมตตกความส่งเสริมพยาบาท ไม่มีในผู้ใดมีเหงาเสียตกความส่งเสริมในความเบียดเบียนในมีไม่มีในผู้ใดผู้นั้นถึงพระอนาคามีแล้วก็ไม่ว่าแต่พระอนาคามีละแม้พระสวสดาบปันก็ไม่ใช่ได้ร่วงละเมิดสิ้นห้าไม่ใช่ได้อยากจะถือศาสนาอื่นไม่เช่ได้อยากจะถืออยู่ยงคงกระพันไม่ใช่ได้อยากจะถือเลิกดีอามี ใดอยกจะจองเวรท่านผู้ใดมีผู้มาทำผิดก็เคก็พิจารณาว่ า, าวโกรธอยู่แต่ไม่ถึงกับจองเวรถ้าเคยทำเขามาแต่ชาติก่อนก็ให้แล่วกันไปสักถ้ามาทำใหม่ก็ให้แล่วกันไปสักถ้าเราจะไม่จองเวรท่านผู้ใดเลยอันนั้นภูมิปสุตตะวันอารมณ์ซีบอย่างนี้เป็นทางบน คือบวชไม่ค่าสัตรักษประพฤติผิดในกามบวชวาจาไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อบวชใจไม่โอบอยาบได้ของผู้อื่นมาเป็นของตนไม่พยาบาทตลองได้ผู้อื่นเห็นชอบตามทำนองครองทำคือทำดีได้ดีทางชั่วได้ชั่วเนี่ยราก็เห็นชอบตามทำนองครองทำ บรรพชาก็ว่าบวชก็ว่าบรรพชาก็เร ouais. ียกถ้าเป็นพระก็เร <You> ียกว่าอุปสมบทถ้าเป็นเลนก็เรียกว่าบรรพชาคาว่าบวชเป็นคำกลางคาว่าบรรพชามายเฉพาะสามเณรคาว่าบวชหมายความได้ทั้งพระทั้งเนนด้วยคาว่าบรรพชาก็ต้องบรรพชาเสียก่อนจึงอุปสมบทเป็นพระ ก็มีความหมายตรงกันว่าถ้าเรียกใครง่ายมักง่ายก็เรียกว่าบวชถ้าเรียกใครเป็นประเภทก็เรียกว่าบรรพชาหรืออภิสมบทใครพาบวชพู้นั้นสมานทั้งพระเจ้าทุกๆพระองค์พาบวชสาธุโ ข, ขบรรพชาบวชนี้รักแรงนิธรรสังกปโปเรียกว่าออกบวชสมานทิฏฐิเอ็นชอบ เห็นอนิยัติัตวี่คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกเป็นผลของสมุทัยสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกเกิดนิโรธเป็นผลของมรรคมรรคเป็นเหตุให้ถึงนิโรธทุกคืออะไรบ้างความไม่สบายกายไม่สบายใจได้ชื่อว่าทุกขเพราะเป็นของทนได้ยากตัญหาคือความทะเยอทยานอยากได้ชื่อว่าสมุทัยเพราะเป็นเหตุให้ทุกเกิดน ตัณหานั้นมีประเภทเป็นสามคือตัณหาในอารมณ์ที่น่ารักให้เข้าใจเรียกก a r m a ตัณหาอย่างหนึ่งตัณหาในความอยากเปโน่นเป็นนี่เรียกภาวะตัณหาอย่างหนึ่งตัณหาในความไม่อยากเปโน่นเป็นนี่เรียกวิภวะตัณหาอย่างหนึ่งความดับตัณหาได้สิ้นเชิงทุกทั้งหลายก็ดับไปหมดได้ชื่อว่านิโรธเพราะได้ชื่อว่านิโรธเพราะเป็นความดับทุกข์ปัญญาเห็นทรบว่าสิ่งนี้ทุกข์สิ่งนี้เหตุให้เขาเกิดสิ่นงนี้ความดับทุกข์ สิ่งนี้ทางดําเนินให้ถึงความดับทุกข์ได้ชื่อว่ามรรคเพราะเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์มรรคนั้นมีองแปดประการคือปัญญาเห็นชอบหนึ่งดําริชอบหนึ่งเกณจายชอบหนึ่งทำการงานชอบหนึ่งทำความเพียรชอบหนึ่งตั้งสติชอบหนึ่งตั้งใจชอบหนึ่งย่นลงมาก็เป็นสามคือศีลคือสมาธิคือปัญญา สินมีสินห้าสินแปดสินสอง้อยยี่สิบเจ็ดเป็นต้นสมาธิมีคณาจาสมาธิและอุปจารสมาธิและอัปนาสมาธิเป็นต้นปัญญารอบรูนในกองสังขานเนี่กว่าปัญญาเพราะใดในรอบรูนอเนจังได้ในรอบรูร น, น, นรรทุกขงังได้ในรอบรูรอนอนัตตาเกิดขึ้นแล้วก็แปพวงนี่แตกสลายไ ป, ไป ศีล ส, สมาธิปัญญานี่เองที่เรียกว่าไตรสิกขาก็เรียบไตรสิกขาแตกออกเป็นหลายประเภทแต่ลูกลูกหลานยังไม่ได้ผ่านสุตตะมยะปัญญาก็คงจะไม่เข้าใจเพราะยังไม่ได้ผ่านพระหูสูตรเพราะหมวดชั่วคราวแต่จะชั่วคราวก็าตามเพราะให้ตั้งอยู่ในศีล ชีลังแปลว่าทําจิตให้เหมือนศีลให้เหมือนหินเรียกว่าชีล้ลางให้ตั้งมั่นอย่าไปล่วงละเมิดศีล ส, สิบบาลานิชปาตาเวระมณีชิขาปะทังเมื่อต้นไปถึงพระพุทธธรรมพระสงค์ถึงสุติตติถึงพระพุพะทธธรรมประสงค์ก็ไม่ว่าแต่ถึงสุติตติสามครั้งแหละจะถึงพ่าพุทธธรรมพระสงค์ตลอดชีวิตตามเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันนั้น เราว่าถึงสามครั้งว่าเพื่อให้พอเหมาะพอดีกับเวลาบวชเฉยๆหรอกไอ้ที่แท้นะเราจะถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ราวเท่าเข้าสู่พระนี่พะจะไม่ลาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปไหนถ้าเราลาเสีขาเราก็ลาแต่เฉพาะเพศแต่ไม่ลาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปไหนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกเมื่อนักที่เมธนันยังฉะนั้นอื่นของเราไม่มีพระพุทธ ถ้าทาพระสงค์เท่านั้นเป็นสาระของเราตามเข้าเข้าสู่พระนิพย์นื้อลึกได้ไม่เล็กได้พอดีตั้งสัตยาธิฐานว่าอย่างนั้นตั้งสัจจะว่าอย่างนั้นตั้งอธิษฐานว่าอย่างนั้นสัจจะความจริงใจคือพืชสิ่งใดก็ให้ได้จริงอธิษฐานที่ทำคือทำเที่ควรตั้งไว้ในใจเยา หปัญญารอบรู้สิ่งที่ควรรู้สองสัจจะความจริงใจคือพระพุทิสิ่งใดคอาม้จริงสามยาคะสระสิ่งที่เป็นค่าศึกแก่ความจริงใจสีอุปสมะสงบใจจากสิ่งที่เป็นค่าศึกแก่ความสงบยังเช่นจีรตนะังโลเกวิชิติวิธังพุทธรัตนะังพุทธะสมันาติตัตสัมมาสดที่ภวันตุเตยังนัตนะอันใดในโลกนี้จะเสมอเหมือนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นไม่มีเลยเราปฏิเสธแล้ว ถ้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยส่วนเดียวไม่ได้ถือลัี่อื่นมาปนไปถ้าถืออันรัี่อื่นมาปนไปไตสรนะคมก็ขาดถือพรามบ้างถือเวทมนตลราคาถาบ้างถือเริกดียามดีบ้างเป็นเชื่อ น, น้ำคัดต่อไตสนนคมไตสนคมแท้ก็คือสุภจรโนคือพระสสดาบาลเราดีดีนี่เอง พระสวยงาบรรเมภูมิสมบัติอย่างไรบ้างตอบง่ายๆว่ามีภูมิสมบัติดังต่อไปนี้หนึ่งไม่เสียดายล่วงละเมิดศีลห้าสองไม่เสียดายอยากจะถือศาสตรดาอื่นนอกจากพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไปสามไม่เสียดายอยากล่วงอบายมุขทุกประเภทเช่นหวยระบัตดเบอร์เป็นต้น สี่ไม่ใช่ใดจะจองเวรท่านผู้ใดโกรธอยู่แต่ไม่ถึงกับจองเวรมึงเถอะมึงทำให้กูอย่างนั้นกูจะทำให้มึงอย่างนี้ไม่มีในพระโสราวันถ้าเคยได้ทำเขามาแต่ชาติก่อนหรือเขามาขอใหม่ก็ดีหรือเราหลงไปทำเขาก็าดีก็ให้แล้วกันไปนะราจะไม่จองเวรท่านผู้ใดนั่นภูของพระโสราวัน นั่นอยู่ที่ไหนนั่นอยู่ที่ใจของผู้เทศและผู้ฟังนี่เองไม่ได้นั่นออกดินฝ้าอากาศไม่เสียดายอยากกระถือรัฐเทอื่นพรามๆเต็มเตมหรือโลกดียามดีมมมมมคำว่าสวัสดีปีใหม่ก็ว่าไปตามเขาเฉยๆถ้าเราไม่ทำดีมันจะมาสวัสดีอยู่ที่ไหนเป็นเรื่องให้พรกันฉันเมดคิดเมตตาต่างหากนั่น สวัสดีปีใหม่ความทุกข์เข็นใจอย่าได้มีเลยเป็นสรมมาวาจาภเยร้เพระพริง้องอิงธรรมะเฉ ย, เฉยแต่เมื่อเราไม่ทำดีความดีจะมาจากวัตถยันตูไหนสวัสดีปีใหม่แต่ก็ใกล้จะตายกว่าปีไกน่นี่นั่นเถ่าเราทำดีมันจึงจะมาดีอยู่ที่ใจเราทำชั่วมันก็มาชั่วอยู่ที่ใจพระใจเป็นผู้ทำทำดีก็ทาให้ใจทาชั่วก็ทาให้ใจ ยงเป็นผู้ใจถึงในทางทำดีตามสติกำลังของตนเถิด อ, อย่าเป็นผู้ใจถึงในทางทำชั่วเลยจงเป็นผู้มีอิสระในทางทำดีตามสติกำลังของตนเถิดอย่ามีอิสระทางทำชั่วเลยจงเป็นผู้อ้างความจำเป็นว่าจะได้ทำดีตามสติกำลังของตนเถิดอย่าได้อาความจำเป็นมาอ้างว่าจะได้ทำชั่ว พระพุทธศาสนาสอนลงสั้นบางประกานจงทํากิจให้บันเทิงในการละชั่วทําดีเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านย่อลงมาเพื่อให้เข้าใจง่ายถ้าขยายออกก็เชือกเส้นเดียวนั่นเองถ้าย่อลงมาก็เชือกเชียกเส้นเดียวนั่นเองคือยอ่ยอประย่อลงมาหาใจคือยาวเหยียดก็ยาวเหยียดออกไปจากใจเพราะใจเป็นผู้ทําดีทําชั่วเป็นหัวหน้าของกายของวาจา ใจเป็นเพื่อใส่ชื่อหรือนามให้ตาหูจมูกลิ้นกายแต่ตาหูจมูกลิ้นกายเขาก็ไม่รับเขาก็ไม่ปัดเขาก็ไม่วางอุเบกขาเฉยแต่ใจไม่มีผู้ใส่ชื่อหรือนามให้ตนก็ใส่ชื่อตนว่าใจใจใจใจถ้าไม่รู้รอบใจตอนไหนไหนก็เป็นทุกข์อยู่ที่ใจตอนนั้น นอกจากใจก็มามีอันใดจะเป็นหัวหน้าทำดีให้ตนนอกจากใจก็มามีอันใดจะเบียดเบียนตนผู้ไปผู้คอตายก็คือใจนั่นเองพาไปผูกคอตายผู้เว้นก็คือใจนั่นเว้นนั่นนั่นนั่นอยู่ที่นั้นอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจของผู้ฟังและผู้พูดเราไปเรียนหนังสือก็เอาใจเรียนคนตายเรียนไม่เป็นเราท่องหนังสือก็เอาใจท่อง เราดูหนังสือก็เอาใจดูเพราะคนตายดูไม่เป็นพูดให้เข้าใจง่ายเพื่อปฏิบัติง่ายสินห้าตัวก็ดีสินสิบตัวก็ดีสีนแปดตัวก็ดีถ้าเราไม่ร่วงละเมิดก็มาเป็นเชือกห้าเกลียวอยู่ที่ดวงใจสินห้าสินแปดก็เหมือนกันถ้าเราไม่ร่วงละเมิดก็มาเป็นเชือกแปดเกลียวอยู่ที่ไกสินสิบก็เหมือนกันถ้าเราไม่ร่วงละเมิดก็เป็นเชือกสิบเกลียวอยู่ที่ใจ ศีลสองยยสิยเจ็ดก็หน่วยโดยในเดียวกันแปดหมื 8, 40, ่นสี่พระธรรมขันก็โดยในเดียวกันเป็นแปดหมื่นสี่พันพัทธรรมัทฉันเกลียวมาอยู่ที่ใจศีลมีในปัจจุบันศีลมีในปัจจุบันนัสมาธิมีในปัจจุบันปัญญาปัญญาเป็นหัวหน้าของธรรมทุกหมวดถ้าปัญญาไม่มีก็รักษาศีลไม่คุ้มศีลห้าก็ต้องมีปัญญาเป็นผู้ควบคุม สิ้นแปดก็มีปัญญาเป็นผู้ควบคุมมีสติมีปรรัญญามีสติอยู่ที่ใดปัญญาก็อยู่ที่นั้นมีสติอยู่ในปัจจุบันสี้นทั้งหลายก็มีอยู่ในปัจจุบันสมาธิทั้ทงหลายก็มีอยู่ในปัจจุบันปัญญาทั้งหลายก็รอบครอบในปัจจุบันนั่นยน่นออกมาเป็นเอกนิบาต ท, ทั้งยน่นทั้งขยายขยายออกก็ไม่สงสัยยน่นออกก็ไม่สงสัยเกณฑ์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็ไม่สงสัย ย่นสิบลงมาหาลักหน่วยก็ไม่สงสัยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านนับ้ากขมากออกไปจากลักหน่วยย่นลงมาก็ย่นลงมาหาลักหน่วยย่นศีนก็ย่นลงมาหาใจย่นสมาธิก็ย่นลงมาหายใจย่นปัญญาก็ย่นลงมาหาใจในปัจจุบันนั่นเองะเราหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราไปเห็นอยู่ที่ไหนเมื่อเห็นเราก็เห็นอยู่ที่ใจพระใจเป็นผู้หาใช่ไหมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ม้นอยู่ที่ประเทศอินเดียอยู่ที่ประเทศใจของเรานี่เองว่าในทางปรมรตร์เขาก็บอกล้องปู่ว่าล้องปู่ล้องปู่ไล่ผีให้ด้วยล้องปู่ก็ตอบเขาอ่ะผีไม่มีแก่ผู้ไม่ถือบาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทำผัวเมียไม่มีแก่ผู้ยอมเป็นโสดนั่นล็อกปู่บอกให้เขาเข้าใจง่าย ท่านั้นเนี้ยจะกล่าวตัวว่าพระพุทธศาสนาอยู่กับตัวหนังสือเนี่ยอยู่กับดินฟ้าอากาศอธิแท้ก็อยู่ที่หัวใจแต่ละท่านแต่ละคนนั่นเองน้อมลงมาจึงเรียกว่าน้อมลงมาโอปณัญญาโกน้อมลงมาใส่ใจซะกขบอลงมาสอเช่นบาปอย่างนี้ตบอร์สอาตบอรสะกดอยู่ในหนังสือบาปมันจะไม่ได้รับบาปนี่พู้ทําบาปก็พูดที่ได้รับเดือดร้อนคือใจบุญตบอร์สอาตบอร์สะกดอยู่ในหนังสือแผ่นนอก ถ้าเราทําบุญก็เป็นบุญอยู่ที่ใจถ้าเราจะเป็นบาปก็ทําบาปอยู่ที่ใจถ้าเราโมโหก็โม โ, มโหอยู่ที่ใจมั่อเนี่ยโมโหอยู่ที่ดินฟ้าอากาศใช่ไหมถ้าเราเมตตาแผ่เมตตาจงเป็นสุขทุกข์ต้นหน้าทั่วทั้งใจโลกาเทินอย่างนี้ก็อยู่ที่ ห, หัวใจของเราไม่ได้อยู่ในที่หนังสือภายนอกและดินฟ้าอากาศนั้นจึงให้เข้าใจการปฏิบัตินอกจากใจไม่มีอันไดจะทําดีให้ใจนอกจากใจก็ไม่มีอะไรจะทําชั่วให้ใจใจเท่านั้นทําดีให้ใจใจเท่านั้นทําชั่วให้ใจ โคตม้โคตหมู่โคตรพักโคพวกของชาวโลกตั้งขึ้นไม่มองดูพระพุทธศาสนาะมันก็ไปไม่รอดเหมือนกันทำคําสอนพระพุทธศาสนาะสอนตรงกันเลยพระพุทธเจ้าองค์ไหนมาอเ น, นกะสะตะโอระโยพระพุทธเจ้ามากกว่าร้อยโกรธประมาสอนอันเดียวกันเพราะมันบริบูรณ์เนี่ทั้งอัฏฐะสร้างพยัญชนะสิ้นเชิงเนี่พระพุทธเจ้าทั้งหลายปกครองโลกตรงโต่งโจงแก้ ทำเป็นโลกบาลคุ้มครองโลกสองอย่างความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโรกได้ถ้าไม่มีอย่างอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปแล้วกฎหมายกฎหมูยของชาวโลกก็ตั้ง ข, ขึ้นกี่ล้า น, านมันก็ไม่อยู่อูของทําไม่นําคํานึงก็มาที่พึ่งพิงเองอาศัยทําความชั่วไม่ได้ก็ไปทําในที่แก้งไม่ได้ก็ไปทํานี้ในที่รับมีน้ําซ้ําทําในที่แก้งอีกด้วยชาวโลกอ น, น้ามาันอยู่ทุกยอมยาเพราะละเมิดศีลธรรมของพุทธศาสนาท่านเองกฎหมายมันไม่อยู่ กฎของกิเลสมันมีไม่ทําให้กิเลสเบาบางกฎหมายมันก็ตั้งไม่อยู่ศีลห้ามันทําให้กิเลสเบาบางแล้วความละ อ, อายต่อบาปความกลัวต่อบาป ท, ทําให้กิเลสเบาางเแล้วกฎหมายจริงจะตั้งอยู่<ร>กิเลสไม่เบาบางกฎหมายจะตั้งขึ้นจีดราลัดกดโกรธมันก็ไม่อยู่นั่นชาวโรกปีนเกี่ยวคำว่าพุทธศาสนามันก็ไปไม่รอดเพราะกรรมแล้ผลของกรรมมันมีอยู่ถ้าคนกรรมแล้ผลของกรรมไม่มีเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาเหมือนกัน ทำกรรมใดว่ายเป็นบุญและเป็นบาปจะได้เป็นทายาจะได้รับผลของกรรมนั่นสืบไปเอวังนำให้อภินาหัางพจะเวกคิตบาบังเราทั้งหลายจงพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดราษปีกม็มีใครพิจารณาเอ้าถ้ามีสีนห้าบริวูรณทหารก็ไม่ต้องมีตํารวจก็ไม่ต้องมีโทตรวนก็ไม่ต้องมีพระบรมศาสดา ย, ยืนยันว่าทําเป็โล ก, กบาลคุ้มครองโลคสองอย่างความอาญายตบาวความกวนตวบาวเท่านั้นจะคุ้มครองโลคได้ ถ้าไม่มียางอายตบ า, ามไม่มีความกลัวสบ า, ามแล้วมันเข้าไปล่วงแล้วเมืดอสินห้านั่นเมื่อมันล่วงแล้วเมื่อสินห้าแล้วกฎหมายมันก็ตั้งมาอยู่เอ๋อชาวโลกที่ตั้งกฎหมายกดหมู่กดพรรกด พ, พวกขึ้นในสังคมนั้นมีสินห้าสักคนไหมนั่นมันก็ไม่มีมันก็ไปไม่รอดนั่นนั่นนั่นทำไมจึงอาบน้ําก็เพราะรากายมันสกปรก ทำไมจึงปฏิบัติสินธรรมเพราะจิตใจมันสกรปรกถ้าไม่ลดตำแหน่งกิเลสลงมันก็ตั้งไม่อยู่อะนะกิเลสไม่ลดตำแหน่งเลยมีแต่ตั้งขึ้นมามันก็ไม่อยู่อีพ่ออีแม่เ อ, อ๋ยอ อ, อบายามุกเต็มโลคเือฮาฮือาฮอาเวีภนไพก็สนองกันอยู่ทุกยอมย่านั่นอบอายามุกซุกชุมในโลกา มนุษยาวโลเกข่อยจากทําคําสอนของพระพุทธเจ้ามีค่าล้านอนใด้ชนเยียบย่าตีเป็นเลขเป็นผานั่นนั่นนั่นนั่นนั่นัน่ น, น, น, น, น, น, นอนละมานอยู่ทุกวันนี่ก็เพราะอบายมุขนั่นนั่นั่นยุตาเป็นผู้รู้จักเหตุรู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์ธรรมยุตาเป็นผู้รู้จักผลรู้จักว่าสุขเป็นผลแห่งเหตุอนนี้ทุกข์เป็นผลแห่งเหตุอันนี้ อบายามุขเป็นทางเหตุชิบหายมันก็อ่านไม่ออกมันจะเอาความเจริญมาจากประตูได้อีพ่ออีแม่กูเอ๋ออเเอย <IS> นั่น <IS> นั่นนั่นนันั่นนันน่นนนนั่นแม่โลกมา อ, อยู่ระดับเดียวกันก็จริงแต่อบายยมุขก็ยังไม่เห็นโทษเลยความเจริญจะมาจากประตูใดไม่มีเลยไม่เห็นโทษอบายยมุขบันที่โต บันดิตตัวข้ารมาวสังบันดิตเป็นผู้ครองเรือนพระบระมาศ า, ารายเยืนดันครั่งพุทธกาลภูงราชาคืมีผู้ดวงตาเห็นธรรม11ละหุดละหุดหนึ่งมีร้อยคน11ละหุ่หนก็หนึ่งแสนกับหนึ่งหมื่นใช่ไหมละหุดหนึ่งมีหมื่นคนกําลังถูกไหม แล้วคนหนึ่งมีหนึ่งมืออันนี้นับวันจะอ น, นุโมาชาวโลกเพราะห่างเหินจากศีลธรรมพราบุรมาศาสนาสร้างวาระ ม, มาผีอสงงขัยแสนมหากับรดีแอกอสงงขัยก็ดีชิ พ, พกอสงไขัยก็ดีตามปัญญาทิกะศรัทธาทิกะมิรยาทิกะก็มีความหมายอันเดียวกันหมดคำสอนของพุทธศาสนา ไม่ได้บอกว่าลูกระเบิดนิวเคลียร์ลูกระเบิดปะทมานูเอ็มชิบหกเอ็มสามชิบสองเอ็มเท่านั้นเทาน่านี้เป็นที่ปกครองโลกยืนยันว่าทําให้โกกรคบาดควบครองโลกสองอย่างที่นีความละอายต่อบาปทุจริตโอตตะปะตะดุ้ง ก, กลัวต่อบาปทุจริตจะเป็นเครื่องปกครองโลกเครื่องปกครองโรกคือทําให้โกกรคบาดพระพุทธเจ้าองค์ไหนมาก็มายืนยันอันนี้ ที่เราเอาเอ า, เ อ, าเอาวุธยุทธผลมาพกครองโลกก็คือเอาเวนมาสนองเวนเอาภัยมาสนองภัยมีแต่เวนสนองเวนภัยสนองภัยกรรมและผลของกรรมไม่มีเราก็ไม่เชื่อมันกันพระพุทธศาสนารับที่ใดๆก็ตามกรรมและผลของกรรมไม่ยกเว้นเธอแว้นไม่แต่พระทหารท่านเป็น่นอาวุธศีกัมไปแล้วเหลือดังนั้นอยู่ใต้อํานาจกรรมและผลของกรรมทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ชาวพุทธพิจารณาทั้งนั้น สิ่งไหนจะ่ห่างเหินจากศีลธรรมสิ่งนั้นไปไม่รอดทำของคารวะาสิซัจยะสัต์ซื่อแก่กันธมะรู้จักข่มกิตของตนจาระสระสิ่งของของตนเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นปัญญารอบรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ทำไม่เป็นประโยชน์สิ่งไหนพระพุทธศาสนามาได้นนสอนไม่มีสอนวัดมรดสบัตก็สอนวัดรบายอมมุขให้เวทเลยกัดปลาชนไก่อะไรต่ออะไรสารพัดเวน พระสวัสไม่เสียดายร่วงละเมิดศีลห้าไม่เสียดายอยากร่วงละเมิดอบายมุกไม่เสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงกระพันไม่เสียดายอยากจะเลิกดีถืออย่าเลิกดียามดีไม่เสียดายอยากจะถือศาสนาอื่นอัญญทักตุทเทศไม่ถือศาสนาอื่นขจาวิสารานี้พระโภคาตุงนี้ทำปีทั้งเคแลตรังมณีตังเอเจ น, นสเจ น, นสวดสีหหัวตุพระสวัสดิบาลไม่ยอมถือศาสนาอื่นเลย อภิฐานโทษอย่างหนักหกมาตุค่าฆ่าอันดาพิโตค่าฆ่าบิดาอทัตุค่าค่าพระรหันต์โลหิตตุบาททำลายพระพุทธเจ้าถึงยำปลงเหตไให้ห้อขึ้นไปสังฆเภทศยังสองข้าแต่จากกันอัญญัตตุเทศไม่ถือศาสตราอื่นนั่นที่โตข้ามาวาสังก็คือพระสวัสดิบาลเป็นผู้ครองเรือนเช่นนางวิสาขานะสําเร็จพระสวัสดิบาลแต่อายุเจ็ดปีแกก็ครองเรือนมีลู ก, กี้สิบมีล้านยี่สิบมีเหลียญยี่สิบหนึ่ง พระแก้ยินดีแต่สามีและภรรยาของตนเท่านั้นไม่ล่วงละเมิดกันเพราะมีชินหา้าบริบูรณกาเมสมิธชาจารย์ไม่ล่วงละเมิดไม่ใช่ได้ยล่วงละเมิดชินหา้าถ้าไม่ใช่ได้ยล่วงละเมิดชินห้า ก, ก็คือพระโสดาบันจะยืนเดินโยกรมภาวนาสักพเพียงไหนก็าตามจะทำํทำ am, ท่าทําทางเคร่งสักพเพียงไหนก็าตามถ้าใชีได้ยล่วงละเมิดชินห้าถ้าเสียด้อยากจะถือศาสตร์ดาอื่นมันก็ไม่ใช่พระโสดาบันถ้าเสียด้อยากค่าขายเครื่องประหารค่าขายมนุษย์ค่าขายสัตว์เป็นเลยเนี่ยสัตว์เที่ยว่ัวข้า เพเป็นอาหารค่าขายนำา้ำมาค่าขายยาพิษการค้าขายห้าย่างนี้พระสวดาบาลไม่ใช่ได้ร่ำละเมิดเลยถ้าเสียดายร่ำละเมิดสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็ไม่ใช่พระสวดาบามันเป็นโลกีเพราะมันจันทร์เืองต้นของพุทธศาสนาหมายเอาพระสอดาบาลเป็นต้นไปไม่ได้หมายเอาโลกีเพวกเราเอาโลกีมาปนเปกันมันก็ยุ่งเหยิงทําไมจึงมีโลกีมาปนไป ร, รับศาสนาพุทธก็พระเอาหลักที่อื่นมาปนเปศาสนาพุทธ ศาสนาพุทธถือเป็นธรมมะจันเบื้องต้นแต่สุปจรโนเป็นต้นไปเท่านั้น hmm. คือพระโสดาบันพระโสดาบันขะราวาสพระโสดาบันเพชรคือสมเดชจัคตาคามีนาคามีกอมงันกั น, กนถือเอาเป็นเบื้องต้นของพุทธศ า, าสตร์นะเพียงเท่านั้นนอกจากพระโสดาบันไปแล้วไม่ได้ถือว่าเป็นคนที่ควรเชื่อได้มาพึ่งคู่เนี่ยมาพึ่งคู่เนี่ยทำสามอย่างหรือสองอย่างในอนิยศน่ยในตระกูลเสียขะมาโมเรโภต้องปฏิเทศนิยะกฎหมายตระกูลพระโสดาบัน คนที่ควรเชื่อได้มาพูดเพื่อนี่ทำสามอย่างหรือสองอย่างก็หมายถึงพระสวัสดิวันสันทิทีิโกรพระสวัดิวันเป็นสันทิทีิโกเป็นเอกเทศพ้นกิเลสเป็นเอกเทศสันติทีิโกรพระตกท า, าคามีก็ละเอียดไปกว่านั้นสันติทีิโกพระอนาคามีก็ละเอียดไปกว่านั้นสันทิทีิโกของพระอรหันต์เรียนสันธิโกสันทิทีิโกจบแล้วคือเห็นชัดแล้ว ว่าเพิ่นจากกิริสโดยประการทั้งปวงเรียกว่าสันติกกโกเรียกว่าปั จ, จตังพระสวดาบันเรียนนโมเบื้องต้นนโมแปลว่าน้อมน้อมน้อ ม, นอมจนไม่ใช่ได้ร่วงระเมิดชิ้นหดังที่ว่ามาแล้วนั้นพระสักทาคารีก็ละเอียดไปกว่านั้นพระสักทาคารีกับพระสวดาบันต่างกันอย่างไรสมมติว่าอยู่ในชั้นเดียวกันแต่พระสักทาแต่พระสวดาบาลสอบได้คะแนนสูงกว่าพระสักทาคารีพระสักทาอ่ะ อแต่พระสกทาคามีสอบคะแนนสูงได้กว่าพระโสดาบันพระโสดาบันนั้นสอบคะแนนได้ต่ำกว่าพระสกทาคามีแต่อยู่ในชั้นเดียวกันลสักกยะทิฏฐิเป็นความเห็นไม่เป็นเหตุไม่ถือตนถือตัวต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีกิคิดช้าไม่สงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์สีระพตปรามาณไม่โรคคลำของพระพุทธธรรมพระสงฆ์่ใครเรียนนโมจบก็พระรหันต์เรียนนโมจบนโมพระรหันต์นอบน้อมจนไม่มาเกิดแก่เจ็บตายนอบน้อมไม่มีโรคมีกวดมีหลง พระทหารเรียนนโมโจบพระทหารก็เรียนถึงประโยคเก้ามันกันมรสีผลสีนิพพานหนึ่งเรียนจบปริญญามือนกันยาตะปริญญากําหนดรู้ด้วยการรู้ตีระนาปัญญากําหนดรู้โดยการพิจารณามหานปัญญากำหน ด, หนดรู้โดยการละศีปริญญาทางพุทธศาสนาเป็นอย่างนั้นแต่ปริญญาทางชาวโลกของเราสุราก็ไม่หยุดจินอสุราก็ไม่หยุดจินนุ่งกางเกงครอบขี้ไก่แล้วก็เป็นปริญญาได้ ปริญญาในทางพระุทธศาสนาะอย่างต่ําก็พระส ว, วัสดิ a w a เป็นปริญญาตรีพระสกทาคารีก็เป็นปริญญาตรีแต่สอบได้ชั้นที่หนึ่งของพระสวสดา a ันปริญญาโทของพระพุทธศาสนาะก็คือพระอนาคามีปริญญาเอกของพระพุทธศาสนาะก็คือพระรหันต์ขั้งพิสการเรียนถึงเก้าประโยคเหมือนกันมรสีผลสีนิพพานหนึ่งนั่น เก้าประโยคนิพพานในที่นี้หมายเอาอนุปาทิเสสนิพพ า, มออาษษมนามรรคสี่คืออะไรโทราปิมรรคสัคตาคมัรคานาคยมรรคอรหัตตมรรคผลสี่คืออะไรโทราปิผลสัคตายผลอนาคายผลอรหัตผลเ อ, อสาวประปวัติตัวเศ้าสังโกนี่เรือสาวของพระบุญญาภาเจ้าอัฐาปิสสาวปุกขลาถ้านับเรียงประเภทบุคคลก็เป็นแปด หนึ่งพฤษดาวเป็มรรคสองพฤษดาไเปผลสามจักรทากายมรรคสี่กฐากายมรรคห้านาคามรรคหกนาคายผลเจ็ดอนหัตตมรรคแปดอนาหัตตผลเอสาวกกวัตตวเร้าสร้างโภนี่เนื้อสาวของพระพุทเจ้าเขาก็มาถามเราเหมือนกันเราไปพักอยู่ที่ราไวไปคราวลงไปภูเก็ตพังงากำล้งประเทศพวกพนักเรียนมาถามเรานั่งวิเวกอยู่คนเดียว ที่เล่มมหาสมุทรอินเดียที่ราวัยตำบลลาวัยสมัยนั้นเราอายุประมาณสี่สิบท่านอาจารย์ท่านอาจารย์มหานิกากรเขาทำมายุทธอันไหนดีเออเพราะว่าเรามาศาสนามันเลยมันหัดแล้วมหานิการที่ทำมายุทบมันญยัดแต่เพียงว่าชุกปัจจบโนโชคยายะสามีเท่านั้นแต่พวกเรามาใส่ชื่อหรือนามกันเราพูดอย่างนี้ ไม่ในบัญญัตวิวามหานิกายนี้ธรรมยศเป็นสาวกของท่านท่านยืนยันแต่ว่าสุพิธปโนโชยายะสามีจิเป็นสาวกของเราท่านว่าอย่างนั้นไม่ได้ยืนยันวามหานิกายฤทธิธรรมยศหรือสายนั่นสายนี้เป็นสาวกของท่านเราพูดอย่างนี้ท่านเหล่านั่นกัหมดปัญหาเราก็พูดตามเป็นจริงเพื่อเรามาใส่ชื่อเรื่องนาว่านายดำนายแดงนายดำทำผิดนายดำก็ผิดนายแดงทำผิดนายแดงก็ผิดนายดำทำถูกนายดำก็ถูกนายแดงแดงทำถูกนายแดงก็ถูก ควมผิดได้ถูกไม่ขึ้นอยู่กับนิการของแต่ละท่านแต่ละคนใครจับไฟก็ต้องร้อนใครเว้นก็ไม่ต้องร้อนใครสอนดีไม่มีใครสอนดีกว่าพระพุทธศาสนาเลยวิธีนะครับอธิกรพระพุทธศาสนาก็สอนไว้แล้วตรศิกขานั่นเองเป็นที่ปกครองสงไตรศิกขาคือศีลสมาธิปัญญานั่นเองเป็นวิชาปกครองสงปกครองโรคอีกเสียด้วยพุท ธ, ธะจริยาทรงประพฤตเพื่อเป็น พระพุทธเจ้ายาตตะจริยาทรงมาพติเพื่อเป็นประโยชน์ของญาติ at, รอตถาจริยาทรงมาพืชเพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกครบวัดแล้วพระบรมศาสตราไม่เข้าข้ามตัวดิง่งเป็นธรรมมาทีปไตยคําสอนพระพุทธศาสนาไม่ใช่ประชาทิปไตยไม่ใช่โลกาที่ปไตยไม่ใช่ราชาที่ปไตยไม่ใช่ประชาธิ่ปฏายคําสอนพระพุทธศาสนาสอนโลกเป็นธรรมมาทีปไตยใครมี อิสระที่จะคัดค้านได้ถ้าไม่ถูกสินทรรมใครก็มีอิสระที่จะอนุโมทนาได้ถ้าถูกทำถูกยังไงไม่ตั้งฝ่ายคัดค้านหรือฝ่ายอนุโมทนาเหมือนชาวโลกเรานี่ชาวโลกของเราตั้งขึ้นดูมันไกลพระพุทธศาสนาเหลือเกินเหตุนั้นจึงอนลาเวงอยู่ทกเก่าญาณนั่นเห็นไหมนั่นนั่นถ้ามาให้ภาพเป็นการบ้านการเมืองพระไม่สอนบ้านสอนเมืองจะไปสอนผีตวัวไหนนั่นนั่นนั่น อา้าหน้าที่ของคาราวาทํายังไงด้วยกายกรรมคือทอําอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสองด้วยวิจิกรรมคือพูดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสามด้วยมโนกรรมคือคิดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสีด้วยความไม่พูดเป็นผู้ไม่ปิดประตูคือห้ามไม่ให้เข้าบ้านเรือนห้าด้วยให้อามิตรสถานนับพระพุทธศาสานาสอนอย่างนั้นสอนคาราวาทพิชเสือซัมเานได้รับบํารุที่นีน่แล้วย่อมอนุเคราะห์คาราวา ด, ด้วยสถานห้า หนึ่งห้ามกระทำความชั่วสองให้ตั้งอยู่ในความดีสามอนุเคราะห์ด้วยนําใจอันงามสี่ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังห้าทำสิ่งที่ฟังแล้วให้แกมโฮกบอกทางสวอนให้นั่นนั่นพระพุทธศาสนาสอนโลกตโตๆจะไปให้พระสอนบ้านสอนเมืองจะไปสอนผีตัวไหนนั่นนั่นนั่นนั่นอยู่ที่ไหนนั่นอยู่ที่ใจผู้พูดและผู้ฟัง ในระหว่างผัว ก, ก็มีเพราเรามาสา ธ, ธาก็สอนไม่ใช่เป็นหน้าที่ของพระพระมันผ่านไปแล้วแต่เมื่อเวลาพระอยู่ไม่ได้ก็จะได้ออกมาปฏิบัติสินธรรมที่ท่านสอนว้1หนึ่งด้วยยกยองนับถือว่าเป็นภรรยาสองด้วยไม่ดูหมิ่น3าด้วยไม่ประพฤติร่วงใจ4ีด้วยมากความเป็นใหญ่ให้ห้าด้วยให้เครื่องแต่งตัวสำหรับสามีสาหรับภรรยา หนึ่งจัดการงานดีสองสงเคราะห์ค่อนข้างเคียงของผัวดีสามให้ประพฤติร่วงใจผัวสีรักษาทรัพย์ที่ผัวหามาในไว้ข้อห้าขยันไม่เกียจข้านในการทางปวงนัถวยกระเป๋าเพราะเขาก็ะเป๋าเทมันรพันเป็นเอลนั <c oughs> ่นเจ้าเลี้ยงท่านตอบสองทำจิตธุระของท่านสามดำรงองตระกูลสี่ประพฤติตนให้เป็นคนควรรับทรัพย์มรดกข้อห้าเมื่อท่านลงรับไปแล้วทำบุญอุทิศให้ท่านนั่นๆๆๆๆนพระพุทธเจ้าสอน พ่อแม่ที่นี่หนึ่งห้ามกระทั่งความชั่วสองแนะนําให้ตั้งอยู่ในความดีสามให้ศึกษาศิลปวิทยาสีหาภรรยาและสามีที่สมควรให้ห้ามอบชับ้นภายในสมัยนั่นนั่นนนั่นมีที่แจงที่ไหนพระพุทธเจ้าสอนหมดแล้ววิธีคบมิตรพระพุทธเจ้าก็สอนที่นี่ปฏิบัติทั้งเล่มมันก็เป็นวิชาของพระสวสดาบาลผู้คลองเรือนทั้งนั้นนั่นพระมหาสมัยเจ้าท่า ส่คัดออกมาพระไตยจ่าพระไตพี่ลกแล้วนั่นละภูมิของพระสวันด่ะที่ปฏิบัติทั้งเล่มภูมิของพระสวัสดบิบาลถ้าไปอีกออกจากนั่นก็ไม่ถูกผู้ไปสู่ครองขราวะก็ไปไม่รอดถ้าไปอีกออกจากนั่นตระกูลนั้นมั่งคั่งจะตั้งอยู่นานไม่ได้เพราะสถานเสียง กะมีสมบัติพัฒฐานมากสักเพียงใดก็ตั้งอยู่มานานไม่ได้เพราะสถานสี่หนึ่งไม่แสวงหาพัสดุที่หายแล้วสองไม่บูรนะพัสดุที่คำคราสามไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติสตั้งสตรีหรือบุรุษทุศีนให้เป็นแม่เรียนพ่อเรียนผู้หวงังจะดำรงตระกูลควรเว้นสถานสีประการนี่สี่นั่น น, นันนนันบุรุษทุศีนเป็นแม่เรียนพ่อเรียนมันเอาไปเล่นโบกเล่นเวียเล่นบัตร เ, เล่นเบอร์สามสี่วันมันก็ชิบหายตายโหงหมดนั่นนั่นนั่น สาวแหวงสาวแหวงหาพวกทระซับได้มาโดยทางที่ชอบแล้วเลี้ยงตัวมารดาเบิดาบุตรภรรยาเบาวพรายให้เป็นสุขเลี้ยงเพื่อนสูงให้เป็นสุขบำบัดอันตรายที่เกิดแต่เหตุต่างๆซัมพรีห้าอย่างคือกอยาติพรีสงเคยติขออธิปิพีต้นนักแขกขอภูบาเพตพีธรรมุนอุทิศให้ผู้ตายงาราชพีถวายเป็นหลวงมีเสียข่าก่อนเป็นต้นเทวตาพีทรรมุนอุทิศให้เทวนาห้าบริจากทานในสมณพราหม์ผู้ประพฤติชอบนั่น ัสิ่งไหนพระพุทธเจ้าไม่สอนไม่มีเลยอีพ่ออีแม่เอ๋ยใครจะเทศเก่งสักเพียงไหนจนน้ำไหลไฟดับก็ตามเถิดเลื่อก้างเขาประสมมาพระพุทธเจ้าทางนั้นแหละนั่นแล้วเอาคําสอนพระพุทธเจ้ามาพูดทางนั้นแหละใครจะเก่งสักเพียงไหนก็ตามเถิดในโลกอนี้การปกครองกันไม่มองดูคําสอนพระพุทธศาสนามันก็ไปไม่รอดคพราะพระพุทธศาสนาเป็นดิ่งของโลกไม่เสียดาอยากล่วงอวบัยจมุก ไม่เสียดายอยากจะค่าขายเพืวออาหารค่าขายมนุษย์ค่าขายสัตว์เป็นแลไรเนื่อสัตว์ที่ตัวค่าเพื่อเป็นอาหารค่าขายล้ำเมาค่าขายยาพิษการค้าขายห้าอย่างนี้พระสวดิวันไม่เสียดายเร่องละเมิดเลยไม่ยากจะเดินยังกมีภาวนาตลอดลุ่งก็ตามถ้าเสียดายอยากเร่วงละเมิดสินห้าอยู่ก็ไม่ใช่พระสวดาวันพระสวดิวันไม่เสียดายอยากเร่วงละเมิดสินห้ายินดีต่อสามีของตนเท่านั้นเช่นนางวิสาขาก็ยินดีแต่สามีของตนเท่านั้น โกมาระพัทก็ยินดีแต่ภรรยาของตนเท่านั้นไม่ร่วงละเมิดกันเลยเพียงชิ้นห้าก็สงบแล้วโลกถ้าโลกมีชิ้นห้าบริบูรณ์ทหารตำรวจไม่ต้องมีใช่หรือไม่เจ้าตรุวันก็ไม่ต้องมีใช่หรือไม่ขายของก็ไม่ต้องเฝ้าเรือนจําก็ไม่ต้องมีกุญแจก็ไม่ต้องมียูเอ็นยามก็ไม่ต้องมียี่ปล้นก็ไม่มีรักไถยรักถอนก็ไม่มีคมขืนก็ไม่มี ร่ำลวงกันก็ไม่มีเพราะมีชิ้นห้าบริบูรณ์เพียงชิ้นห้าเท่านั้นไม่ต้องตั้งหลายมาตราถ้าจะตั้งก็ตั้งแต่งบประมาณหรือมาตราคาถาตรีอกรั้นอันนี้ตั้งขึ้นเท่าไรมันก็ไม่อยู่อูของทําไม่นาคําหนึ่งก็งหมดที่พึ่งพิงเองอาศัยทําความชั่วในที่แก้ไม่ได้ก็ไปทําในที่รับ พระไม่รถตำแหน่งกิเลสด้านกิเลสไม่ลถตำแหน่งชาวโลกตั้งกดอะไรขึ้นมันก็ไม่อยู่เพราะไม่รถตำแหน่งกิเลสด้านกิเลสฝึกปรือมันสรนังขัดฉามเเห็นฉะนั้นพระบรมศาสลาจึงสอนให้รถตำแหน่ง เ, เราทําไมเราจึงอาบน้ําเราลถตำแหน่งความเห็นสาบบ้างทาไมเราจึงปฏิบัติสิ่งธรรมเราลถตำแหน่งกิเลสเนี่ย ไอ้เกียรติแม่รถตำแหน่งไปรถแต่ตำแหน่งนั่นอื่นมันก็ไม่อยู่นั่นทังพลังของพระนั่นเองถ้าไม่มีอายุวโนทุกขัของพลังของพระแทรกแซงอยู่ในโลกทะเลน้ําตาทะเลเลือดเสียงสาบเสียงแช่งเสียงดุเสียงด่ากันกลิ่นของชาวโลกก็คือกลิ่นเหม็นเราดีๆนี่เพระฝังไม่ทันเผาไม่ทันถ้าไม่มีพุทธศาสนาแทรกแซงอยในโลก นี่มีพระพุทธศาสนาแทรกแซงอยู่ในโลกจึงมีรัฐที่นั่นรัฐที่นี่มาแข่งกันมากนั่นถูกไหม <c oughs> ถ้ามีม พ, พุทธศาสนาแล้วก็มีรัฐที่ประพฤติมาแข่งกันละแข่งนี้แข่งชั่วกันมากทีนี้ถ้าไม่ีพุทธศาสนาแทรกแซงกันได้โลก็มีแต่แข่งชั่วกันแข่งดีไม่มีเลยถูกไหม <c oughs> นั่นเท่านี้พอแล้ว <c oughs> ทําดีแล้วก็มาบวกดีอยู่ที่ใจ ทำชั่วแล้วก็มาบวกชั่วอยู่ที่ใจไม่ได้ไปบวกเดี้ยง้าอ า, ากาศเลยทำดีก็ทําให้ใจทำชั่วก็ทําให้ใจไม่ได้ทําให้เดี้ยง้าอากาศเลยนอกจากใจก็ไม่มีอะไรจะทําดีให้ใจตรงกันข้ามนอกจากใจก็ไม่มีอะไรจะทําชั่วให้ใจนอกจากใจก็ไม่มีอันใดจะรู้เท่าใจนอกจากใจก็ไม่มีอันใดจะหลงใจถ้าไม่หลงใจตอนไหนก็ไม่หลงธรรมตอนนั้น ถ้าไม่ถ้าหลงใจโดยสิ้นเชิงก็หลงทำตอนสิ้นเชิงถ้าจะหาพระพุทธธรรมพระสงฆ์ถ้าเห็นก็มาเห็นอยู่ที่ใจถ้าไม่เห็นก็ไม่เห็นอยู่ที่ใจเพราะใจเป็นผู้เห็นเพราะใจเป็นผู้ไม่เห็นถูกมไหมบางท่านก็บอกว่าปูปูหลปูไล่ผีออกให้ด้วยไล่ผีก็ไล่ออกจากใจ ผีไม่มีแก่ผู้ไม่ถือบาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทาผัวเมียไม่มีแก่ผู้ยอมเป็นโสตนะถูกไหมทำดีก็มาดีอยู่ที่ใจทำชั่วก็มาชั่วอยู่ที่ใจไม่ได้ไปชั่วที่ดินฟ้าอากาศเลยใจมีคุณเป็นมหันแต่ก็มีโทษเป็นดังนั้นไฟก็มีคุณเป็นมหันแต่ก็มีโทษเป็นดังนั้นถ้าทำไม้ดีก็ไห่บ้านไหเรือนใช่ไหมนั่นใจก็เหมือนกัน ถ้าทำไม่ถูกก็ไปผูกคอตายนั่งใจเองไปผูกคอถ้าทำถูกจนถึงที่สุดทุกโดยชอบก็คือพระอรหันต์ถ้าทำผิดจนที่สุดทุกก็ไปสู่นรกมหาวิกีนั่นนั่นเท่านี้ก็พอแล้ว <c oughs> ถือว่ามีบุญไม่มีบาปนะเขาก็ไปไม่รอดแต่กเจอกันแล้วพอรู้ตัวว่ามันแตกก็เจอแล้ว มจะตั้งต้นใหม่ก็คว้าน้าเหลวไปสักไม่มีทุนต่อสู้ใช่ไหมนั่นพวกเราก็ลองแตกกันดูหรูประเทศของเราก็ไม่มีต่อสู้เหมือนกันเพราะประเทศอื่นๆเขาก็มาไม่มาค่าขายด้วยเขาครบใครเขาก็ไม่ครบเพราะประเทศไม่เป็นแกนเป็นสายเงินก็ไม่มีค่านั่นลองแตกกันดูดูหรูพวกเรานั่นแหละแยกเก้าอี้กันแยกงเข้าเดี๋ยวแตกออกไปเป็นขี้ข้าเขากันละอ๋อ นั S <S. ่นไม่สามัคคีกันสามัคคีกันไปทางดีก็ดีสามัคคีกันไปทางชั่วก็ไปตกเหวหมด น, นั่นอืมหมู่มากลากไปทางดีๆมันก็ดีลากไปทางชั่วมันก็ไปตกเหวหมดนั่นนั่นัก น, นสิ่งไหนที่พุทธศาสนาไม่สอนไม่มีสอนมดวิธีนะครับอาธิกรก็สอนอาธิกรมีสี่ความเถียงกันว่าสิ่งนี้เป็นธรรมเป็นวินัยสิ่งนี้ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยเรียกวิวาทาธิกร ความโจรกันด้วยอาบัต่นั้นนั้นเรียกอนุวาธาติกรสามอาบัตทั pues ้งปวงเรียกอาปตาติกรสี่ในกิจที่สงฆ์จะต้องทําเรียกกิจจาติกรอาติกรมีสี่อาติกรเกิดขึ้นเพราะวิวาธาติกรเกิดขึ้นด้วยเหตุอะไรด้วยเหตุหลายประการนี่เป็นธรรมนี่ไม่เป็นธรรมนี่คู่หนึ่งนี่เป็นวินัยนี่ไม่เป็นวินัยนี่คู่หนึ่งนี่พระนาขดเจ้าทรงอนุญาตไว้นี่พระนาขดเจ้าไม่ได้ทรงอนุญาตไว้นี่คู่หนึ่ง นี่พระธรรมโคเจ้าทรงประพฤติมานี่พระธารมโคเจ้าไม่ทรงประพฤติมานี่เป็นนาบัตเบานี่เป็นนาบัตหนักนี่เป็นนาบัตมีส่วนเหลือนี่เป็นนาบัตขาส่วนเหลือไม่ได้นี่เป็นนาบัตหยาบคายนี่เป็นเป็นนาบัตหยาบคายอาัตีคอนเกิดขึ้นแล้วสรงไม่เรียบระงับเสียจะทําให้เกิดนานาทั้งว่านานานิพ า, า, ายพ ร, ร, าาระบรมสารีรัตนดแล้ว